รู้ว่าโกรธนะไม่ใช่<า> ก, ก็รู้ะบางครั้งก็รู้อะ่ะเออนั่นแหละหัดไปใหม่ๆก็รู้น้อยต่อไปก็รู้เยอะเป็นอย่า ง, างนั้นทุกคนอ้าวอุ ท, ทยัยอ้าวส่งกันบ้านไม่ยกมือก็เรียกแล้วอ้าวนมัสกังกับหลวงพ่อรู้สึกภาวนาสบายขึ้นครับ <c oughs> ก็เห็นจิตไหลไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้เรื่อยเรื่ยสบายสบายฮะ <c oughs> แต่ว่าก็ก็ <c oughs>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 ก็สักพักพอพอเขาไปรู้อีกมันมันก็ยังไม่ไม่ดับไปแต่ว่าดีกรีมันลดลงนะคะในในระยะเวลาที่เรารู้สึกว่ามีอารมณ์นั้นมากระทบเนี่ยค่ะเราควรที่จะตามรู้ไปเรื่อยๆจนมันดับไปเองหรือเปล่าคะเราก็รู้ไปนะบางทีก็มีอารมณ์อื่นขึ้นมาแทรกสักก่อนที่มันจะดับให้ดูเช <s> <นะ S 1> ่นอารมณ์ไม่ดีความโกรธเกิดขึ้นพอเราไปรู้ตรงนี้รู้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 หมูกระดาษเกิดขึ้นอีกแล้วเออนะมันไปสร้างขึ้นมาอยีารีบเป็นอาจารย์กรรมฐานนะในยางนี้อาจารย์กรรมฐานเนี่ยเหมือนคนฉีเสือน้อยรายที่จะกล้าหารลงจากหลังเสือต้องกล้าจริงๆนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องเอาตัวรอดก่อนนี่ชอบห่วงคนโน้นคนนี้ไปด้นี่ใสเสียห่วงแต่คนอื่นไม่ห่วงตัวเองสองวันนี้มันมีเวทนาเยอะค่ะแล้วก็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 ล่องลอยของเขานี่ต้องต้องสมาธิธรรมะก่อนถึงจะขึ้นไปถึงเป็นคนคนนะเป็นบางคนอย่างที่พระนรนท่านบอกะบางคนก็ใช้สมาธินําปัญญาทําสมธาธก่อน บ, บางคนใช้ปัญญานําสมาธิบางคนนะทําสมาธิทำยังไงก็ไม่สงบนะบพวกที่ทําสมธาธิไม่ได้เนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ปัญญานําสมาธิปัญญานําสมาธิก็คือให้คอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเนะช่นจิตใจของเราเนี่ย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 หน้าตานะคืออะไรครับเนะซลจัดอะไรเงี้ยเซลเออไปดูนะเดี๋วนี้แถมให้นะพิเศษอ่ะคนเน้นน้ำมาสการครับอาจารย์ก็ เ, ออเจอหน้าอาจารย์ทีไรถึงเต้นนุทีเลยแล้วก็แอ บ, บเพ่งนุทีเลยตอนนี้ไม่ทราบว่าผมแบบออกแนวประคองกับเพ่งหน่อยหรือเปล่าครับน้อยลงไปเยอะแล้วใช้ได้แล้ว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 อ้าคุณโชคชัยครับน้ำมัสการหลวงพ่อครับเห็นจิตมันทํางานตลอดเวลาับแวบๆตลอดครับแล้วตัวเองก็มีความพอใจอืก็มีความรู้สึกว่าเอเราจะติดความพอใจหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ติดแต่ความพอใจมันมีความลำพองใจด้วยใช่ว่ากูเก่งไว้ใช่ใช่ไหมมันแทรกเข้ามาแล้วใหรู้ทันตัวนี้เลยใช่ครับตัวนี้ร้ายกว่าตัวพอใจอีกนะครับมัน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 หมายถึงว่าชำนาญในการรู้กายรู้ใจใช่ไหมครับอะไรนะผู้ที่ชานาญในการาในฌานสีนี่ครับหมายถึงผู้ที่ชานาญในการรู้ใจรู้กายรู้รู้จิตใช่ไหมครับ <seventeen. S 2> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ชานาญในการทาจิตให้สงบในฌานสี่นะฌ <c oughs> านเป็นเรื่องการทำความสงบนะถ้ายาณทัศนญาณนี่เป็นเรื่องของปัญญาถ้าฌานทั้งหลายนี่เป็นเรื่องการทำความสงบจิตงันญะาณ ก, กับฌานคนละอันกัน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 เอาวันนี้ขอเวลานะขอเชิญยกกับปาน